มูลเหตุแห่งการวิวาทอานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทหประการนี้มูลเหตุแห่งการวิวาทหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระาศาสดา ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระสงฆ์อยู่และไม่ทําศีกขาให้บริบูรณ์อาโนนภิกษุใด <iler> ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทําศีกขาให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เครื่องคูณแก่คนหมู่มาก เพื i i ่อไม่ใช yeah, ่สุขแก่คนหมู่มากเพื like ่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่คือกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมมลเหตุแห่งการวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมมลเหตุแห่งการวิวาที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอก เธอทั้งหลายเพื่อปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ 2. เป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรหนี สเป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอานน์ภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระาศาสดา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 เพื่อไม่ใช่สุกแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่คือคูณเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมมลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายเพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแหลทั้งภายในหรือภายนอกนั้น ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมมลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมีหประการนี้แล อาทิกรและวิธีระ ง, งับอาทิกรอานนท์อาทิกรสี่ประการนี้อาทิกร4ประกา ร, อ, าก ร, ร, ะการอะไรบ้างคือ 1. วิวาธาธิกรสอ 2. อนุวาทิกร อ, อา 3. อปัตตาธิกรสี 4. กิจจาธิกร อ, อธิกรมีสีประการนี้แหลอธิกรณะสมถะเจ็ดประการนี้คือ 1. สา ม, มุขาวินยัย 2. สติวินยัย 3. อมูลหาวินยัย 4. ปติญญาตะกรณะ 5. เยผุยศสิกา 6. ตาสปาปิยศสิกา 7. ตินวัถาากะอันสงพึงให้เพื่อสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว สามโมาวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมบ้างนี้ไม่เป็นธรรมบ้างนี้เป็นวินัยบ้างนี้ไม่เป็นวินัยบ้างภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพลียงกันประชุมครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติครั้นพิจารณาแล้วพึงให้อธิกรณ์นั้นระ ง, งับโดยอาการที่เรื่องในธรรมเมนตินั้นลงกันได้ อานนทรัมมุขาวินัยเป็นอย่างนี้การระ ง, งับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสามมุขาวินัยอย่างนี้เยผุยะเสกกาเป็นอย่างไรคือภิกษุเหล่านั้นไม่อาจระ ง, งับอธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้จึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกว่าภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมในอาวาสนั้น ครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติครั้นพิจารณาแล้วพึงให้อธิกรณ์นั้นระ ง, งับโดยอาการที่เรื่องในธรรมเนตินั้นลงกันได้อานน์เยผุยศิกาเป็นอย่างนี้การระ ง, งับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยเยผุยศิกาอย่างนี้สติวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัตหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกว่าท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัดหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าเข้าพเจ้าต้องอาบัตหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกเมื่อเป็นเช่นนี้ สงพึงให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้นอาโนนสติวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสติวินัยอย่างนี้อมูลหะวินัยเป็นอย่างไรเคอภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกว่า ท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัตหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัตหนักเห็นปา น, นี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นพึงปลอบโยนเธอผู้กล่าวแก้ตัวว่าเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดี ถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัตหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นบ้าใจฟุ้งซ่านแล้วข้าพเจ้าระลึกถึงกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่ข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดพลาดไปแล้วนั้นไม่ได้เลยข้าพเจ้าลืมสติด้วยทํากรรมนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ สงพึงให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุนั้นอานนนอมูลหะวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยอมูลหะวินัยอย่างนี้ปฏิญญาตะกระณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกกล่าวหาก็ตามไม่ถูกกล่าวหาก็ตามย่อมระลึก เปิดเผยทำอาบัตนั้นให้ชัดเจนได้ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุผู้แก่กว่าห่มจีวรเฉวียงบ่ากราบเท้านั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเข้าพเจ้าต้องอาบัตชื่อนี้แล้วขอแสดงคืนอาบัตนั้นภิกษุผู้แก่กว่านั้นกล่าวว่าท่านเห็นหรือทอกล่าวว่าขอรับเข้าพเจ้าเห็น ภิกษุผู้แก่กว่านั้นจึงกล่าวว่าท่านพึงสำรวมต่อไปเธอกล่าวว่าข้าพเจ้าจากสารวมอ น, นุปตินยาตะกรณะเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรบางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยปตินยาตะกรณะอย่างนี้ตสปาปิยาสิกาเป็นอย่างไรเคอภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมกล่าวหาภิก hmm. ษ mm ุด hmm. mm ้วยอาบัต hmm. mm ิหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกว่าท่านระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิก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 แม้ไม่ถูกใครถามยังรับสารภาพทำไมต้องอาบัตหนักเห็นปานนี้คือประชิกหรือใกล้เคียงประชิกถูกถามแล้วจะไม่รับสารภาพเล่าภิกษุผู้กล่าวหานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าก็ท่านต้องอาบัตเพียงเล็กน้อยนี้ยังไม่ถูกถามจึงไม่รับสารภาพต้องอาบัตหนักเห็นปานนี้คือประชิกหรือใกล้เคียงประชิกไม่ถูกถามแล้วจะรับสารภาพทาไมเอาเถอะ ท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัตหนักเห็นปานนี้คือประชิกหรือใกล้เคียงประชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเขาไปเจ้ากําลังระลึกได้ว่าเขาไปเจ้าต้องอาบัตหนักเห็นป่านี้คือประชิกหรือใกล้เคียงประชิกแล้วคําที่ว่าเขาไปเจ้าระลึกถึงอาบัตนั้นไม่ได้ว่าเขาพเจ้าต้องอาบัตหนักเห็นปานนี้คือประชิก หรือใกล้เคียงประชิกนี้เขาพระเจ้าพูดเล่นพูดพลังไปอานน์ตัสปาปิยศสิกาเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยตัสปาปิยศสิกาอย่างนี้ ตินนาวัฏฐาะกะวินัยเป็นอย่างไรคือการอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่พิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ผู้เกิดการบาดม้างเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมภิษุผู้ฉลาดกว่าพิษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันพึงลุกขึ้นจากอาสนะ ข่มจีวรฉวียงบ่าประคองอัญชลีแล้วประกาศให้สงราบว่าข้าแต่สงผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้ากรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากเราทั้งหลายในที่นี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่มีความผัวพันกับเคราะห์ด้วยตินนวัตถาระกะวินัยในทถ้ำกลางสงเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนลำดับนั้นภิกษุผู้ฉลาดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันกับภิกษุอีกฝ่ายหนึ่งพึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบา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 ยกเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบและอาบัตที่มีความพัวพันกับเคราะห์ด้วยตินนวัทธารกะวินัยในถํากลางสงเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนอานนตินนวัตธารกะวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยตินนวัตธารกะวินัยอย่างนี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานน์สารานิยธรรมทําเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันหกประการนี้ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารานิยธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมรูีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. So, ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อนหน้าและรับหลัง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 ที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ได้บ้างไหมท่านพระอานนนกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรมหกประการนี้แล้วประพฤตเถิดการประพฤตินั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภพาสิทธินี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสามัคคามสูตรที่สจบ สุนักขัตตสูตรว่าด้วยเจ้าสุนักขัตตะลิชวีบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลภิกษุเป็นจำนวนมากได้พยากรอรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่โจบพรหมจรั์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเจ้าสุนขัข ต, ตะลิชวีบุตรได้ฟังว่าภิกษุจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วอยู่โจบพรหมจรันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป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 ไม่มีกิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิสุทั้งหลายผู้พยากรอรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเหล่านั้นได้พยากรอรหัตผลโดยชอบหรือว่า มีภิกษุบางพวกได้พยากรอรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุนักขัตตะภิกษุเหล่านั้นผู้พยากรอรหัตผลในสำนักของเราว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป มีภิกษุบางพวกในศาสนานี้ได้พยากรอรหัตผลโดยถูกต้องทีเดียวแต่มีภิกษุบางพวกในศาสนานี้ได้พยากรณอรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุสุนักขตะบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายผู้พยากรณ์อรหัตผลโดยชอบเหล่านั้นย่อมมีอรหัตผลจริงทีเดียว ส่วนบรรดาภิกษุผู้พยากรณ์อรัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุเหล่านั้นตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นสุนัขัตะในเรื่องนี้ตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นแต่ถ้าในธรรมวินัยนี้มีโมฆะบุรุษบางพวกแต่งปัญหาเข้ามาถามตถาคต ข้อที่ตถาคตมีความคิดในภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นก็จะเป็นอย่างอื่นไปเจ้าสุนัขตตะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจกทรงจำไว พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุนขัขตตะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเจ้าสุนขัขตตะิชวีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า สุัขขัดตากามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นห โคถัพระที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดสุนัขขตตะกามคุณมีห้าประการนี้แลสุนักขตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้น ย่อมตรึกตรองทำอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอนเนชฌสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนคนที่จากบ้านหรือนิคมของตนไปนาน บ, บุรุษคนใดคนหนึ่งผู้จากบ้านหรือนิคมไปไม่นานพึงถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาพาธน้อยบุรุษนั้นพึงบอกเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาพาธน้อยแก่เขาสุนขะะัขัตาท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร คือคนนั้นพึงสนใจฟังบุรุษนั้นเงี่ยโสสดับตั้งใจรับรู้คบบุรุษนั้นและถึงความปลื้มใจกับบุรุษนั้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่าสุนัขขตะเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้น ย่อมตรึกตรองทมอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นพบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องอเนชชาสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี้ยโสสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นบุรุษบุคคล น, นั้นบัณฑิตพึงทราบว่า เป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากการเกี่ยวข้องกับอเนชาสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในโลกามิตสุนักขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในอเนชาสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอเนชาสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่อเนชาสมาบัตินั้นเท่านั้น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 ไม่กลับเขียวสดขึ้นมาได้แม้ชันใดความเกี่ยวข้องในโลกามิตรของบุคคลผู้น้อมใจไปในอเนนชสมาบัตก็หลุดไปฉั้นนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับโลกามิตรมีแต่น้อมใจไปในอเนนชสมาบัตสุนขัขะตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้ เพิเป็นผู้น้อมใจไปในอากินจัญ ญ, ญายตนะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอากินจัญ ญ, ญายตนะสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่อากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองทรรมอันสมควรแก่อากินจัญ ญ, ญายตนะสมาบัตินั้นครบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้น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 ผู้มีใจน้อมไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติก็แตกไปชั้นนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบันดิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอเนชาสมาบัตมีแต่น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัตสุนักขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้ พึงเป็นผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตินั้นเท่านั้นย่อมตรตรองทาอันสมควรแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้น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 คนนั้นพึงมีความปรารถนาในพัทนั้นบ้างไหมไม่ปรารถนาพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพัทนั้นตนเองรู้สึกว่าเป็นของไม่น่ากินเสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขัตตะความเกี่ยวข้องในอากินจัญญายตนะสมาบัติก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติคายได้แล้วอย่างนั้นเหมือนกัน บุรุษบุคคลนั้นบัรดิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอากินจัญญาญตนะสมาบัตมีแต่น้อมใจไปในเนวะสัญญาหนาสัญญาญตนะสมาบัตสุนัขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ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 เปรียบเหมือนตายอดด่วนไม่อาจงอกงามได้อีกแม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบถอนขึ้นได้ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่า เป็นบรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเขียวข้องกับเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบสุนักขตะเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตันหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตันหานั้นได้แล้วกําจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชาาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเรื่องต่อไปนี้มีเนื้อความดังนี้ ภิกษุนั้นพึงประกอบหนึง่งหนึ่งซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัพเพะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัพเพะทางตาหนึงน่งหนึ่งพึงประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัพเพะทางหูหนึงน่งหนึ่งพึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัพเพะทางจมูกหนึ่งหนึ่งพึงประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัพเพะทางลิ้นหนึงน่งหนึ่ง พึงประกอบการถูกต้องโพธพภะอันไม่เป็นสัพยะทางกายหนึ่งหนึ่งพึงประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัพยะทางใจหนึ่งหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัพยะทางตาหนึ่งหนึ่งประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัพยะทางหูหนึ่งหนึ่งประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัพยะทางจมูกหนึ่งหนึ่ง ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัพยาธิทางลิ้นหนึ่งเนืองประกอบการถูกต้องโผฏฐะอันไม่เป็นสัพยาทางกายหนึ่งเนืองประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัพยายะทางใจหนึ่งเนืองแล้วราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกปางตายเปรียบเหมือนคนถูกญิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรง มิดอมาตยาสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปาแผลแล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศรตรวจพบลูกศรแล้วจึงถอนออกพึ่อกำจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่หมอผ่าตัดนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเราถอนลูกศรให้ท่านแล้ว โทษคือพิษเราก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่แสลงก็อย่าถึงกลับให้แผลต้องกำเริบและท่านต้องล้างแผลตามเวลาทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาก็อย่าให้น้ำเหลืองและเลือดปิดปากแผลได้ และท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดหนืองเนงเมื่อท่านเที่ยวตากลมตากแดดหนึ่งเนืองก็อย่าให้ละอองหรือสิ่งโสโครกถูกปากแผลได้ท่านต้องรักษาแผลอยู่จนกว่าแผลจะสมานกันดีบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าหมอถอนลูกศรให้เราแล้วโทษคือพิษหมอก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วเราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาจึงรับประทานอาหารที่แสลง เมื่อเขารับประทานอาหารที่แสลงแผลก็กำเริบเขาไม่ล้างแผลาตามเวลาและไม่ทายาสมานแผลาตามเวลาเมื่อเขาไม่ล้างแผลและไม่ทายาสมานแผลาตามเวลาน้ำเหลืองและเลือดก็ปิดปากแผลเขาเที่ยวาตากลมตากแดดเนืองๆเมื่อเขาเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆละอองและสิ่งโสโครกจึงถูกปากแผลเขาไม่คอยรักษาแผลอยู่ แผลจึงไม่สมานกันเพราะการกระทำไม่ถูกต้องนี้แผลจึงอักเสบได้ด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งไม่กาจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาด 2. ไม่กาจัดโทษคือพิษอันยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ไปเขามีแผลอักเสบพึงถึงความตายหรือทุกปางตายได้แม้ชั้นใดสุนัขขัดตะเป็นไปได้ชั้นนั้นเหมือนกัน ที่พิสษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณนะตรัสลูกสอนคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกสอนคือตัณหานั้นได้แล้วกาจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเรื่องต่อไปนี้มีเนื้อความดังนี้ ภิกษุนั้นประกอบหนึ่งๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสปายะทางตาหนึ่งๆพึงประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสปายะทางหูหนึ่งๆพึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสปายะทางจมูกหนึ่งๆพึงประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสปายะทางลิ้นหนึ่งๆ พึงประกอบการถูกต้องโผฏฐะอันไม่เป็นสัพพายะทางกายหนึ่งหนึ่งพึงประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัพพายะทางใจหนึ่งหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นเห็นรูปอันไม่เป็นสัพพายะทางตาหนึ่งหนึ่งประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัพพายะทางหูหนึ่งหนึ่งประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัพพายะทางจมูกหนึ่งหนึ่งประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัพพายะทางลิ้นหนึ่งหนึ่ง ประกอบการถูกต้องโพธพภะอันไม่เป็นสัปเปพะทางกายหนึ่งหนึ่งประกอบการรับรู้ธรรมารมอันไม่เป็นสัปเปยะทางใจหนึ่งหนึ่งแล้วราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกปางตายสุนัขขะตะนั่นเป็นความตายของภิกษุผู้บอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัดในอริยวินัย ส่วนทุกนี้เป็นทุกปางตายของภิกษุผู้ต้องอาบัตเศร้าหมองข้อใดข้อหนึ่ง